เริ่มวันทิดดีหลังทําเจะรุ่งเรืองไกลแค่ขอเพียงควา ม, มมุ่งมั่นจริงใจช่วยตนช่วยฟ้ารวมใจแต่การก่อนมามู่ชนเขารบอะไร กวนคืนมาใหม่ศึกษาสิ่งเก่ากวดขันสิใหม่จุดหมายสว่างสดใสแต่เพียงไม่ไกลถ้าเดินไมนิทานไม่เปลี่ยนไม่ท้อสักหน่อยไม่ท้อยใดๆจุดแสงสว่างด้วยใจช่วยคนพ้นภัย ต้งความตั้งใจทุกสิ่งสำเร็จสำคัญที่ใจกลับสวรสุขใจ ไม้สว่างสดใสแค่เพียงไม่ไกลถ้าเดินปานิทานไม่เปลี่ยนไม่ท้อสักหน่อยไม่ถอยใดใดจุดแสนสว่างด้วยใจช่วยคนพ้นภยัยสมความตั้งใจทุกสิ่งสำเร็จสำคัญที่ใจกลับสู่วันสุดใจ ร่นฝล่อยรนปยด้วยความเมตตาและปัญญาใจที่เป็นฐานเดิมนำไปสู่ฟัง